10ตูลานะคนี่ยนสิบห้าคำ่ำเราก็เรียกเป็นวันออกพรรษาแต่ว่าออกพรรษาจริงๆเนี่ยนะสำหรับพระสุปโตก็คือวันนี้แหละคือเมื่อมีการทอดกระถินนะสาเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ถือว่าการทอดกระถินเนี่ยมันเป็นนิมิตหมายนะว่าการออกพรรษาที่แท้จริงนี่ได้เริ่มขึ้นแล้วเช่นเดียวกับวัดต่างๆนะเพราะว่า พอถึงวัออวาต่อพรรษาชาววัดก็ยังไม่ได้ออกจากวัดจนกว่าจะมีการท่อกระถินเสร็จสิ้นอย่างวัดป่าสุกโตเนี่ยนะพอท่อกระถินเสร็จก็มีพระหลายรูปนะลาสิกขานักปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อยก็เตรียมแยกย้ายกันกลับบ้านส่วน พระที่เหลืออยู่แม้จะไม่ได้สืหาลาเพศไปแต่ก็มีกำหนดนะเดินทางอาจจะจะลึกไปตามที่ต่างๆไปเดินทุดดงนะถ้าเป็นช่วงที่โควิดยังไม่ระบาดนะหรือว่าไปก้อปริวาสก็เริ่มกันหลังจากที่รับกระถินเสร็จแล้ว อันนี้รียวว่าการออกภาษาในภาคปฏิบัติเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วหลายท่านก็ไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมเมื่อซื่อาราเพศหรือเมื่ อ, อเศรษจจากการข้อภรษาก็พากันกลับบ้านแยกย้ายกันไป บางคนก็อาจจะดีใจนะจะได้กลับบ้านแล้วเพราะว่าคนเราก็มีความผูกพันกับบ้านแต่ก็ให้ตระหนักว่าบ้านที่รอเราอยู่นี่นะมันเป็นบ้านของกายนะมันมีบ้านอีกอย่างนึงนะคือบ้านของใจบ้านของกายเนี่ยมันก็ก่อด้วยอิฐสร้างด้วยปูน ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนพรุ่งนี้เมื่อเราเริ่มเดินทางกันก็ให้ตระหนักว่าเรากลับไปบ้านของกายนะแต่บ้านของใจนี่ต้องถามตัวเราเองว่าเรากลับถึงไหมหรือว่ามีหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่รู้ ว่ามันมีด้วยซ้ำนะบ้านของใจเพราะไปคิดว่าไอ้บ้านที่เราเราอยู่เนี่ยมันคือบ้านแท้ๆของเราที่จริงเนี่ยคนเราเนี่ยโดยพอถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจแล้วหรือว่าเป็นนักปฏิบัติเนี่ย ก็ให้ตนักว่าเรามีบ้านของใจนะที่จะต้องใส่ใจหาให้พบและไปให้ถึงางคลแต่หวงแต่บ้านของกายนั่นแหละห่วงว่าจะมี เ, เงินผ่อนบ้านไหมหรือว่า จะมีเงินสร้างโน้นสร้างนี้หรือเปล่าสร้างกำแพงต่อเติมต่างๆนานาหรือทำสวนลืมไปเลยนะว่าบ้านของใจนี่ก็สำคัญและบ้านของใจเนี่ยมันมันไม่ต้องอาศัยการเดินทางนะสามารถจะพบ ได้ทุกคนทุกแห่งเพราะมันคือกายนี่แหละนะม่ๆเนี่ยเราต้องรู้จักทำใจเนี่ยเอาทำกายให้เป็นบ้านของใจอถ้าเราต้องการหรือเห็นความสำคัญของความรู้สึกตัวเนี่ยต้องเราต้องรู้จักนะเอากายมาเป็นบ้านของใจ คือทำอะไรเนี่ยนะก็รู้เนื้อรู้ตัวไม่ว่าจะเดินยืนไม่ว่าจะอาบน้ำถูฟันเราใช้กายทำนั่นทำนี่ก็ให้มีความรู้สึกนะว่ากายกำลังทำอะไรอยู่ จะรู้สึกได้นี่ก็เพราะใจเนี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างที่เคยแน่ว่าเนี่ยนะการปฏิบัติการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวก็คือหลักง่ายๆคือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นถ้าตัวอยู่ที่หอไตรแต่ว่าใจไปอยู่ที่บ้านเนี่ยอันนี้มันไม่ถูกแล้วล่ะ หรือว่าตัวอยู่ที่บ้านนะแต่ว่าใจไปอยู่ที่ทำงานมันก็ไม่ใช่เราต้องฝึกนะให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่กับกายเป็นนิดเป็นอา จ, จินแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีความคิดหลอกล่อใจให้ออกไป ทะเลทลายตเตลิดเปิดเปิงแต่ว่าไม่นานนะใจก็หวนกลับมากลับมาที่กายรับรู้ว่ากายกำลังทำอะไรอยู่ เ, ยเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างที่พระเจ้าเนี่ยสอนนะว่าเนี่ยให้ทาความรู้สึกตัวเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเวลามองไปข้างหน้าเหลือซ้ายและขวา เวลาผ้าสังกติครองจีวรสภายบาทถ้าเป็นคารวะก็สวมเสื้อใส่กางเกงเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มเวลาคู่เหยียดเคลื่อนไหวอวัยวะไม่ว่าจะเป็นแขนขาแม้ก่ะทั่งเวลาอุจจาระปัสสาวะก็ให้รู้สึกตัวหลมทั้งเวลายืนเดินนั่ง นอนหลับตาพูดนิ่งจะรู้สึกตัวได้เนี่ยในอยู่เรียบบทหรือกิจต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เพราะว่าใจเนี่ยมันอยู่กับกายก็เปรียบ ว, ว่ากายเนี่ยเป็นบ้านของใจถ้าว่าใจเราไม่มีบ้านนะมันก็เหมือนกับคนจรจัดนะคนจรจัดหรือคนไร้บ้าน มันเหงามันเหนื่อยแล้วก็รู้สึกขาดความอบอุ่นใจของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไร้บ้านเมืพอไร้บ้านเนี่ยก็ไปเจอกับภัยต่างๆมากมายแล้วบางทีก็ไปเอาความทุกข์ต่างๆเนี่ย กลับมาให้กับกายหรือว่ามาใส่ตัวไอ้ที่เราทุกข์เมื่อใจเนี่ยมันไหลไปอดีตไปจมอยู่กับเหตุการณ์ที่เจ็บปวดเมื่อปีที่แล้วหรือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ดีหรือไปวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่ถึงก็ดีเนี่ยมาอรู้แรกแต่เป็นเพราะว่าใจเนี่ย ไร้บ้านใช่ใจกลับมาอยู่กับบ้านคือกายเนี่ยมีความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันก็จะไม่มีความรู้สึกเศร้าโกรธอะไรอวออวรเียดแค้นพยา บ, บาทหรือหนักอกหนักใจวิตกกังวลแต่อย่างใดเมื่อใจอยู่กับกายนะ ก็เมื่อคนที่อยู่บ้านนะมันก็จะมีแต่ความอบอุ่นมีความปลอดภัยเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยนะเราปลอดภัยทางกายไม่มีผู้ร้ายไม่มีสัตว์ร้ายมาทาร้ายเราแต่ใจเรายังทุกอยู่นะเราทุกเพราะความคิดเราทุกเพราะหลงคิดไปในเรื่องเราที่ผ่านไปแล้ว หรือปรุงแต่งในสิ่งที่เอามาไม่ถึงนั่นแหละนะคือสภาพของใจที่มันไร้บ้านใจที่ไม่ไดนะ้กลับมาอยู่กับกายมารู้เนื้อรู้ตัวหรือรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกลับไปบ้านเนี่ยก็ให้ตระหนักว่า เรายังไม่ได้ถึงบ้านที่แท้จริงนะกายมันถึงบ้านนะแต่ใจยังไม่ถึงจนกว่าจะมีความรู้เนื้อรู้ตัวในบ้านของกายนี่บางครั้งเป็นภาระนะต้องหาเงินมาผ่อนนะหรือว่าต้องคอยซ่อมแซมหลังคารั่วท่อน้ำแตก หรือบางทีก็น้ำท่วมไม่ต้องพูดถึงไฟไหม้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็โอ้ยเป็นทุกขนะ์กลัดกรุ่มตีอกชกหัวมันกลายเป็นภาระที่สร้างความทุกข์ให้กับเราได้แต่บ้านของใจเนี่ยมันมีแดดให้ความอบอุ่นนะให้ความสดชื่นเบิกบานให้ความปลอดภัยให้ความรู้สึกมั่นคง และมันไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาขโมยไปแล้วที่สำคัญคือว่าสามารถจะอยู่กับเราได้ทุกที่นะไม่มีคำว่าคิดถึงบ้านเพราะว่าอยู่ห่างบ้านบ้านของใจนี่มันอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ทุกขนทุกแห่งตามติดไปทุกที่อยู่ที่ว่าเราจะรู้จัก อยู่ที่ว่าเราจะพาใจกลับมาหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อ ย, เ, ยเราจะเนี่ยเราจะพบว่าบ้านของใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่กายนะมันคือปัจจุบันขณะถ้าเรารู้จักทำใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะไม่พัดตกไปอยู่กับอดีต หลลอยไปอยู่กับอนาคตมันก็จะไม่จมกับอารมณ์ฝึกเอาไว้นะให้ใจเนี่ยนะมีบ้านนั่นคือกายนั่นคือปัจจุบันขณะเวลาเราศึกหาลาเพศไปหรือว่าเรากลับไปรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบการงานหลังจากออกบรรษาไปเนี่ย ก็ให้รู้จักนะผาใจกลับมาอยู่บ้านเนืองๆนั่นคือว่าเวลาทำอะไรก็ให้รู้สึกตัวหรือว่าสรุปอีกอย่างหนึ่งนะก็คือรู้กายเคลื่อนไหว ถ้าเราตาใจมันอยู่กับกายเนี่ยกายทำอะไรมันก็จะรู้นะว่ากายมีการเคลื่อนไหวไหมหลักของการเจริญสตทิทำความรู้สึกตัวก็คือเนี่ยง่ายๆรู้กายเคลื่อนไหว มันไม่ใช่เฉพาะเวลาเราเดินจงกรมไม่ใช่เฉพาะเวลาเราสร้างจังหวะแต่รวมถึงเวลาเราล้างหน้าถูฟันอาบน้ํากินข้าวเราใช้กายเคลื่อนไหวแต่บางทีเราไม่รู้เพราะใจเราลอยเพราะใจเรากำลังไปจมอยู่ความคิดอันนี้เรียกว่ามันหลุดลอยออกไปจากบ้านแล้วแต่ถ้าใจนี้กลับมาอยู่บ้านเนี่ยมันก็จะรู้นะ ว่ากายกำลังเคลื่อนไหวไม่ใช่เคลื่อนไหวด้วยมือด้วยแขนบางทีหายใจก็รู้กับพิตาก็รู้เรือน้ำลายก็รู้มันจะละเอียดไปเรื่อยๆเนื้อหลักของการปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ยากอะไรนะ ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นรู้กายเคลื่อนไหวต่อไปมันก็จะรู้ใจคิดนึกใจคิดใจนึกอะไรมันก็รู้มนรู้ทันโดยที่ไม่ต้องไปดักจ้องเฝ้ามองกำลังอาบน้ำกำลังถูฟันกำลังล้างจานอยู่รู้กายเคลื่อนไหวประดีถยมันคิดไปละใจนี่มันพ่าออกจากกายหลยเข้าไปในความคิดก็มีสติรู้ทัน อันนี้เราว่ารู้ใจคิดนึกมันรู้แลวที่ไม่ต้องไปดักจ้องแต่ว่ามันเหมือนกับมันมีอาการกระเพื่อมที่ใจสติก็รู้ทันเลยนะเหมือนกับแมงมุมเนี่ยนะเวลามีมแมลงเนี่ยไปติดที่ไขยใยของมันเนี่ยมันรู้เลยนะ ทังที่มันอยู่ไกลเพราะว่ามันมีแรงกระเพื่อมมีแรงสั่นสะเทือนของใหญ่แมงมุมเนี่ยทำให้มันรู้ว่าเนี่ยมีแมลงเป็นอาหาร ห, หรือเหยื่อของมันเนี่ยติดใจแล้วก็เหมือนกันนะเวลามันกระเพื่อมเนี่ยเพราะว่าคิดนึกหรือเพราะมีอารมณ์การกระเพื่อมของใจมันทาให้สตินี่รู้สติรู้ก็เข้าไป เห็นมันเห็นแล้วก็วางนะไม่ได้ไปขยุ่มเหยื่อเหมือนกับแมงมุมนะแต่ว่าสติมันช่วยให้ใจน่วางความคิดและอารมณ์หรือหลุดจากอารมณ์ได้หรือรักษาใจไม่ให้ความที่ลดอารมณ์นี้เข้ามาครอบงำอามันก็มีหลักง่ายๆอยู่สองข้อนั่นแหละนะ สำหรับการหาบ้านให้ใจเนี่ยคือรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกหรือถ้าขยายความก็คือว่ารู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจรู้ใจคิดนิดเมื่อมีผัสสะนรู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจนะทํากิจอะไรก็ตามเนี่ยกินดื่มเชี่ยวลิ้มอุจลราปัสสาวะเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังอย่างที่พระเจ้าตรัสเนี่ยก็รู้ รู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทากิจรู้ใจคิดนึกเมื่อมีผัสสะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือมีอะไรมากระทบกายหรือว่าจะพูดง่ายๆคือว่าเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทากิ จ, ร, จรู้ใจคิดนึกรู้ใจคิดนึกเมื่อเจอนั่นเจอนี้เจอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเจอเอาการต่างๆก็เวลาใจกระเพื่องขึ้นมายินดีนยินร้ายก็รู้ และทั้งวันนะเราเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างนั่นแหละคือถ้าไม่ทํานั่นทํานี่ก็เจอนั่นเจอนี้มันก็มีสองอย่างเท่านั้นนะในชีวิตเราแต่ละวั น, แ ต, วนแต่ละวันเนี่ยถ้าไม่ทํานั่นทํานี่นะก็เจอนั่นเจอนี้เจอฝนตกเจอลมพัดเจอคนมาพูดมาคุย มาชื่นชมยินดีหรือมามาติฉินนินทาก็ให้รู้ใจคิดนึกแต่ถ้าทํานั่นทนํานี่ก็ให้รู้กายเคลื่อนไหวชีวิตของเราแต่ละวันก็มีแค่นี้แหละทํานั่นทนํานี่ก็เจอนั่นเจอนี้ถ้าเรารู้จักฝึกใจในลักษณะที่ว่าเนี่ยเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกมันก็เท่ากับว่าได้ปฏิบัติทั้งวันละ และเป็นการปฏิบัติที่ไม่ต้องมาเข้าวัดมาเข้าคอร์สมันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ต้องใช้เวลาพิเศษถ้าเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็จะบอกก็จะพบว่ามันไม่ไม่มีคําว่าไม่มีเวลาปฏิบัติไม่มีเวลาปฏิบัตินี่มันจะเป็นข้ออ้างของคนจํานวนมากแต่ที่จริงแล้วนี่ถาาว่าเรามันรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเนี่ย มันทาได้ตลอดเวลาที่ตื่นจะไม่มีคำว่าไม่มีเวลาปฏิบัติเพราะมันปฏิบัติได้ทั้งวันจากการมีสติความรู้สึกตัวในการทำนั่นทำนี่หรือเมื่อเจอนั่นเจอนี่และจากความรู้สึกตัวเนี่ยต่อไปมันก็จะทำให้เรารู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงของกายและใจมากขึ้นเรื่อยเรื่อเมื่อทาให ใจเราเนี่ยมีเครื่องอยู่เนะมีเหมือนกับปราการที่คอยปกป้องถ้าเปลี่ยบเหมือนกับเปรียบไปก็เหมือนกับเรือนที่มีหลังคาที่มุงไว้หรือสร้างไว้อย่างแน่นหนามีพระอรหันต์ท่านหนึ่งนะชื่อพระสุพูดท่านพระสุพูดเนี่ย ฉันเคยกล่าวเป็นคาถานะพูดถึงฝนนะต้าบอกว่าฝนเอ่ยกุติเรามุงไว้ดีแล้วมีเครื่องป้องกันมิชิตแน่นหนาฝนตกลงมาได้ตามสบายเลยจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วมีความเพียรอยู่ ตกมาได้ตามสบายเลยฝนคือเมื่อเรือนหรือกุฏิมุงไว้ดีแล้วเนี่ยหรือมีหลังคาที่แน่นหนาไม่กลัวฝนชันใดนะจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนะตั้งมั่นดีแล้วถึงขั้นที่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเนี่ยอย่าว่าแต่ฝนเลยนะแม้กระทั่งความทุกข์ทั้งปวงก็ไม่สามารถที่จะ มาทำให้จิตใจวันว่นวายหรือเป็นโทษต่อจิตใจได้เพราะสุพูเนี่ยท่านไม่กลัวฝ น, นเพราะว่าจิตของท่านเนี่ยมั่นคงแล้วฝนในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงกิเลสอย่างเดียวนะหมายถึงความทุกข์ที่เป็นธรรมดาโลกความแก่ความป่วยความพัดพรากสูญเสียคำต่อว่าด่าทอ ไม่ต้องความตายธรรมชาติคนเราเนี่ยนะก็มักจะไม่ปรารถนาไม่อยากให้มีเหตุร้ายมีอันตรายเกิดขึ้นไม่อยากให้มีความแก่ความเจ็บความป่วยความพลาดพลาดสูญเสียเวลาเราภาวนาเวลาเราอธิษฐานก็ปรารถนาสิ่งเหล่านี้แหละว่าอย่าให้เกิดกับเราเลยแต่สําหรับอ ชาวพูดผู้มีปัญญาเนี่ยย่อมรู้ดีว่าอุปัทตะวะหรืออันตรายเหล่านี้เนี่ยหรือเรืร่องลมเว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่มีทางหนีพ้นเพราะฉะนั้นการไปตั้งเจิต ป, ปรารถนาว่าอย่าให้มีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราเลยเนี่ยเหมือนกับว่าปรารถนาตั้งจว่าขอให้ฝนอย่าได้ตกเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือน ฝนจะตกมาแต่ว่าเรามุงหลังคาไว้ดีฝนก็ทําให้เราแปกเปื้อนไม่ได้ชั้นใดแม้ความทุกข์จะหนีไม่พ้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ทําอะไรจิตใจไม่ได้เพราะว่าจิตใจเนี่ยได้มีเครื่องป้องกันที่แน่นหนาถึงแม้ว่าเราเป็นปุถุชนยังไม่สามารถจ ะ, ะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้ แต่ถ้าเรามีสติมีความสึกตัวเนี่ยก็เถือกว็ว่าจิตของเราเนี่ยมีเครื่องคุ้มกันที่ดีที่ไว้วางใจได้และยิ่งถ้าเราสามารถจะนําความสึกตัวเนี่ยไปต่อยอดโจนทั่งเกิดความรู้แจ้งในสัจธรรมพ้นจากความหลงพ้นจากอวิชชาเนี่ยก็ยิ่งมีเครื่องคุ้มกันจิตที่แน่นหนากว่าเดิมชนนี้ที่ทุก ใดๆก็ไม่สามารถจะมาแพร่ผ่านได้แม้ว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องพัดผ้าสูญเสียแต่ว่าไม่ก่อให้เกิดความกระเทือนแก่จิตใจอ น, นี่คือสิ่งที่เรานะควรมุ่งหวังควรปรารถนาแต่ปรารถนาอัางเดียวไม่พอต้องปฏิบัติการปฏิบัติชันนี้แหลนะหน้าที่จะทำให้เราเนี่ยมีเครื่องคุ้มกันหรือมีบ้านที่แท้จริงนะของใจ ชนิที่บ้านของกายเนี่ยเทียบไม่ได้เลยมันทำให้เรามีที่พึ่งที่แท้จริงแม้จะออกจากวัดไปแม้จะกลับไปสู่บ้านแต่ว่าก็จะมีเครื่องรักษาจิตชนิดที่ทุกใดๆก็แผ่วผ่านไม่ได้เมื่อผู้เจ้าเนี่ยกล้จะไปนิพพานเนี่ย ผู้เจ้ากระตัดกับพระอันนท์เมื่อได้ทราบว่ามีพระสงฆ์จำนวนมากเนี่เศร้าโศกเสียใจที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานพระองค์กระตัดว่าเนี่ยพิสุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยจะหวังอะไรจากพระองค์อีกเพราะพระองค์เนี่ยแสดงธรรมจนหมดสิ้นแล้วไม่มีนอกไม่มีใน อย่าหวังอะไรจากพระ อ, องค์อีกเลยนะถ้าจะหวังพึ่งก็หวังพึ่งตนเองแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งเกาะในที่นี้หมายถึงว่าที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงก็หมายถึงกิเลสหรือความทุกข์ท่วมไม่ถึงแผ่วพานไม่ถูกจนมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าให้มีธรรมเป็นเกาะ มีทมเป็นที่พึ่งอย่าหวังพึ่งสิ่งใดเลยอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะที่ชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะระลึกไว้นะว่าเมื่อเรามาได้มีโอกาสมารู้จักพุทธศาสนาได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมเราต้องทำตนให้เป็นเกาะหรือมีธรรมะเป็นที่พึ่งให้ได้เปลี่ยมเหมือนกับว่า มีเครื่องรักษาจิตที่มั่นคงแน่นหนาถึงตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าฝนจะกระหน่ำยังไรหรือเปลี่ยนเหมือนกับทุกภัยที่ไม่ว่าจะมาอย่างไรนะก็ไม่ทำให้จิตใจเป็นทุกข์หรือว่าสันสะเทือนได้อันนี้แหละคือความหมายของการมีตนเป็นเกาะนะมีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่ได้เรียกร้องไม่ใช่เรียกร้องบิณฑบาว่าขออย่าได้มีอย่าได้เกิดอุปัรรค์ันตรายกับเราเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สกัดกั้นไม่ได้แต่ว่าหน้าที่ของเราคือรักษาใจของเราให้มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาพอสูตรพูดเนี่ยท่านก็บอกฝนนะบอกว่าตกลงมาตามสะดวกเลยนะท่านไม่กลัวไม่กลัวเปียบ ถ้าเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องรักษาจิตเนี่ยเราก็จะไม่กลัวทุกข์นะทุกข์จะมาอย่างไรนะก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่ามั่นใจว่ามันจะทำอะไรจิตใจไม่ได้เพราะว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งล้วทำให้ตนเนี่ยเป็นเกาะได้ให้คอยเราเนี่ยไม่ว่าเราจะ อยู่ที่ใดไม่ว่าจะยังอยู่วัดหรือว่าอยู่บ้านไม่ว่าจะยังบวชอยู่หรือลาศิกขาไปนะก็ขอให้มีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งเริ่มต้นด้วยการรู้จักหาบ้านให้ใจและบ้านของใจเนี่ยเดิมเนี่ยจากกายมาเป็นปัจจุบันขณะและจากปัจจุบันขณะมาเป็นธรรมะ คือปัญญาและสติเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะรักษาตนเนี่ยให้พ้นจากทุกข์ภัยได้ไม่ใช่เพราะว่าทุกข์ภัยไม่เกิดแต่เป็นเพราะมันทำลายจิตใจไม่ได้